การให้ความรู้คนตาบอดถามการให้ความรู้เช่นอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังถือว่าเป็นการช่วยให้มีโอกาสหายจากตาบอดได้ไหมตอบแยกเป็นคนละส่วนกันครับ วิทยาทานคือวิทยาทานไม่ใช่อวัยวะทานและไม่ใช่การช่วยเหลือทางการเห็นวิทยาทานให้ผลทางปัญญาส่วนอวัยวะทานให้ผลทางสุขภาพร่างกายหากก่อนตายคุณไปเซ็นชื่อยินยอมบริจาคดวงตาไว้โดยมีจตนาช่วยให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเห็นโลกเหมือนคนอื่นอันนั้นจึงจะตรงกับกรณีอย่างไรก็ตาม บุญเป็นความสว่างเป็นพลังด้านบวกที่นำมาเป็นตัวตั้งในการอธิษฐานอย่างไรก็ได้หากคุณให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่คนตาบอดและอธิษฐานขอให้เป็นปัจจัยช่วยให้คุณตาดีไปทุกภพทุกชาติหรือมีทางรอดถ้าพลาดพลังต้องตาบอดการอธิษฐานนั้นก็จะสำเร็จผลได้เหมือนกันกล่าวคือชาติถั ด, ถดมาจะไม่มีใจอยากห้ามการเห็นของใคร มีแต่อยากช่วยให้เขาเกิดการเห็นเหมือนดังที่เคยเพาะนิสัยไว้แล้วซึ่งผลก็จะยิ่งทับทวีหลีกห่างจากเหตุแห่งการเป็นคนตาบอดไปเรื่อยๆ